ขอนอบน้อมแต่คุณปรตัตนตรัยโอกาสพระเทรลานุเทหลผู้เป็นประธานโอกาสพระเทรานุเทหลทุกท่านและเพื่อสัตมิ ท, ท, ม ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันมาค่าบูชาเนาะเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสู่ในวันเพ็ญเดือนหก ต่อมาในวันเพ็ญเดือนแปดซึ่งเป็นวันอาสารหาบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงโปรดปัญจวัคคีย์ด้วยธรรมจักกตพระนัสูตรเป็นเหตุให้พระโกนัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันและหลังนั้นทรงแสดงอนัตตาลักนัสูตรก็เป็นการที่เรียกว่าแสดงจบไปแล้วเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระรหันธ์ทั้งหมด ต่อมาก็ได้ทรงาโปรดพยาศะและสหายของพยสศะด้วยอนุปุพิกถาต่อมาก็เป็นพระทหารทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้ทรงไปโปรดกลุ่มพัทธวคีหรือมานพทั้ง30ด้วยอนุปุพิกถาเนาะต่อจากนั้นก็ทรงเดินทางไปโปรดกลุ่มปูรานชดินซึ่งมีสามพี่น้องมี ุรเวณกัสปะนาทีกัสปะและขยากัสปะเป็นหัวหน้าซึ่งมีลุกศิษย์ทั้งสาเป็นจำนวน 1,000 พองค์ทรงแสดงอ า, อาทิตตะปริยายสูตรโปรดก็บรรลุเป็นพระรหั์ทั้งหมดหลังจากนั้นที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีลูกศิษย์มากมายเช่นนั้นก็ทรงส่งบางส่วนไปจาริกเป็นในที่ต่าง นะแต่ว่าทรงเดินทางไปต่อไปเพื่อจะไปโปรดพระเจ้าพิมิสารที่กรุงราชคือพร้อมกับกลุ่มปลรานฉดิน 1,000 พนกับสรูปนนี้เป็นการที่เรียกว่าเพื่อความยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นนะเพราะว่าเหมือนกับปุรานฉดินนี้มีความมีลูกศิษย์นับถือมากมายนะหลังจากที่เดินทางไปแสดงทำโปรดพระเจ้าพิมิสารพร้อมกับนะประชาชนไปจานวนมาก พระเจ้าพิมสารก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะพร้อมโดยประชาชนก็บรรลุทำกันอย่างมากมายแล้วพระเจ้าพิมสารก็ได้ทรงถวายวัดแห่งแรกในพุสนาคือวัดเมรุวันซึ่งอยู่ที่กรุงราชคืออันนี้หลังนั้นก็เป็นวันเพ็ญเดือนสามนะซึ่งผ่านมาก็ยังไม่ถึงปีนะซึ่งเราจะเห็นว่ามีลูกศิษย์ที่ได้ฟังทำเจากพุทธเจ้าบรรลุรมเป็นจำนวนมาก แล้วก็เดินทางไปเผยแผ่ธรรมในที่ต่างๆวันเพ็ญเดือนสามในครั้งนั้นน ะ, ะซึ่งปีนี้ก็ตรงวันเพ็ญเดือนสี่เพราะว่ามีเดือนแปดสองผลก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการ์อย่างหนึ่งก็เรียกว่าจารุลงกสานิบาตคือเป็นการเป็นการประชุมกันซึ่งประกอบด้วยองค์สี่คือประการแรกคื อ, อ เป็นวันที่ตรงกับวันมาฆาปุณธมีนะ <Yeah. S 1> มาฆาปุณธมีซึ่งตรงวันเพเนินสามประกาศแรกนะประการที่สองก็คือพระหนึ่งพรหรูปได้เดินทางมาประชุมพร้อมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยประการที่สามทุกทุกอ ง, ง น, นั้นเป็นพระหรหัลบรรลุอภิญญาหประการที่สี่ ท, ทุกทุกองค์นั้นสําเร็จเป็นพระหรหันส์ โดยเหิภิกขุผสมอุปสมบทาคือบวชโดยพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็คือเหตุสิะการซึ่งเรียกว่าจารตุรงศักพัสานิบาตหลังจากที่มีการประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเป็นโอกาสันดีที่ว่าจะวางกรอบนะในการที่ว่าพระจะได้นําไปนะเป็นหลักในการเผยแพผ่ธรรมต่อไปนะคราวนี้ที่เมื่อกี้ก็เราก็ได้สวดโอวาทปริโมกไปแล้วอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่า ที่พระพเจ้าได้ทรงวางกรอบเอาไว้หลายๆประเด็นน ะ, ะซึ่งมีประเด็นหลังๆเช่นขันติคือความปดกั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังประวังว่าทันดิปุตตาผู้รู้ทั้งหลายกาพนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งก็มีหลายๆข้อแต่ว่ามีข้อที่สำคัญคือที่ได้ทรงแสดงไว้ในระดับต้นๆก็คื อ, อสัพาพปาปัสสากะระนังคือการไม่ทาบาปทั้งปวงกุศล ส, สูปสมทา การทํากุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ทพปนังการชําระจิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานศาสนังนี่คือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้คือประเด็นสําคัญที่อยู่ในหัวข้อนี้เป็นหลักหลักการที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธนาก็ว่าได้นะคือการไม่ทําบาปการมันทุกกุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตของตนให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธิ์ เราจะเห็นได้ ว, ว่ามีบางบางบางท่นานกล่าวว่าศาสนาใดในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดนะก็คือสอนให้คนไม่ทาชั่วให้ทาความดีนะแต่ว่าในพูุ้ทธศาสนา น, นี้มีต่างกันนะที่ว่าข้อสุดท้ายคือการชําระจิตของตนให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสอันนี้คือหัวใจหลักที่แท้จริงของศาสนาเนานะนะเป้าหมายที่แท้จริงของศาสนานก็คือการดับทุก นะคือการทำให้จบนะความทุกข์ในชาตินี้ให้ได้เนาะจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าในชาติไหนหรอกแต่ว่าก็คือในชาตินี้นั่นเองเนาะก็คือทำให้จบนะภารกิจนะจบทุกข์หมดทุกข์สิ้นความทุกข์ในชาตินี้หรือเรียกว่านิโรธอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยเนาะครั้นะี้น่ะการที่ว่า เ, เราไม่ทำบาปทั้งปวงนะก็คือโดยทั่วๆไปก็แค่สี่ห้าเองเนาะศี่ห้านี้เท่านั้นเองก็พอแล้วนะ ศีลห้านี้ก็เป็นหลักที่ว่าเราชาวพุทธควรที่ต้องรักษาให้ได้ในตรงนี้นะเพราะถ้าเรารักษาตรงตรงนี้ไม่ได้เราก็จะเกิดกรรมขึ้นมานะเกิดกรรมก็คือทางกายนะการทางกายก็มีการเบ็ดเบียนด้วยการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การผิดประการกาเป็นการทางกายทางวาจาก็มีการพูดโกหกพูดสลอสเสียดพูดเพ้อเจอ้อ ต่างๆเหล่านี้นะส่วนทางใจนะ่าก็เป็นอุปสนทางใจนะอันได้กายจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนะอันนี้เป็นการที่เรกว่าเราผิดในทางใจนะแต่จริงๆแล้วถ้าดูให้ดีนะนะความผิดในทางกายและวาจาเกิดจากที่ไหนก่อนก็คือในทางใจนั่นแหละทางใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะผู้ใดที่สามารถรักษาใจนะให้ให้ใหย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีนะ อย่าไปมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพอเราสามารถรักษาใจได้แล้วทางกายทางวาจาก็จะดีไปหมดนะยกตัวอย่างเช่นในในยุคที่ผ่านมาก็มีหลวงปู่มั่นนี่แหละท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับท่านในรุ่นแรกๆเนยเยอะเลยหลายเลยองนะปรากฏว่าท่านก็รู้วาะจิตนะใครที่คิดในทางไม่ดีนะบา ง, บา ง, บ, างบางท่านก็คิดไปถึงครอบครัวบ้าง คิดไปในถึงเรื่องต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมคิดออกส่งจิตต่างกไปในทางที่ไม่มีสาระต่างๆเนาะปรากฏว่าในการประชุมเย็นวันนั้นนะก็จะโดนท่านมีเรียกว่าโดนเล่นงานโดนเล่นงานโดนพูดในเรื่องต่างๆที่ว่าส่งจิตตกนงกไปแต่ท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่ผู้ที่โดนเช่นนั้นก็รู้ตัวว่าเป็นเราเราโดนแล้วนะ เพราะนั้นผู้ที่อยู่กับหลวงปู่มั่นจึงมีการรักษาจิตนะคือจิตนี้เป็นการที่รักษาอย่าให้ส่งไปในทางอกุศลทั้งหลายนะจากการที่รักษาจิตเป็นประจำนั้นนะก็เลยทำให้เป็นการแบบธรรมที่เรียกว่าเจริญสตินในตัวนะเมื่อรักษาจิตได้แล้วนะก็จะมีสมาธิมีปัญญาตามมานะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะนั้นผู้ใดที่สามารถรักษาจิตได้กายวาจาก็จะสงบ นะแล้วก็จะเกิดนะสติสมาธิปัญญาตามมานะเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงปู่มั่นในยุคนั้นนะผู้ที่อยู่ท่านเมื่อรักษาจิตแล้วนะจิตก็จะมีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญทานบนะํบาเพ็ญสมรธรรมก็เจริญก้าวหน้าซึ่งต่อมาก็มีชื่อเสียงมากมายหลายๆองค์หนะนะลวงปู่ขาวหลวงปูแงปงปงปงป่แวนหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่จัวหลวงปู่ดูลหลวงปู่แหวนต่างๆเป็นต้นนะเยอะแยะมากมายนะมีชื่อเสียงมากมาย ก็เพราะเหตุว่าเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมโดยการที่เราว่ารู้เท่าทันจิตใจนะเพราะการที่เรามามีสติประเด็นสาคัญก็คือเราสามารถที่จะรู้กายแล้วเราก็รู้ใจด้วยนะในสุดเราก็จะมาดูรู้ใจนะใจคิดในทาง ใ, ใดๆในทางดีเราก็รู้ทันในทางไม่ดีเราก็รู้ทันนะเมื่อเรารู้ทันสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วนั่นแะหละตรงนี้ก็เรียกว่ามีสติที่สมบูรณ์ นะความมีสติที่สมบูรณ์นี่แหละจะเป็นเหตุให้เรามีสติมีปัญญาต่างๆนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ได้ต่อมาเนาะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่ว่าชาวพุทธนะไม่ควรที่จะทำบาปโดยวิธีการใดๆโดยกายโดยวาจาโดยใจเนาะโดยพอใจนี่นะพวกเราเ จ, จเริญสติเข้ามาเยอะแล้วต้องรู้เท่าทันให้ได้ตลอดเวลานะอันนี้เมื่อไม่เกิดบาปทางใจแล้วทางกายและวาจาก็จะไม่เกิดตามมาเนาะ ต่อมาก็คื อ, อมันบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจริงๆแล้วกุศลนั้นมีมากมายนะแต่ถ้าสรุปให้เหลือสั้นๆลงก็จะเหลื อ, อกุศลกำหบดสิ บ, บ 10, นะอันเริ่มต้นด้วยทานนามัยนะก็คือการให้ทานต่อมาคือคือศีลเรารักษาศีลกันนะต่อมาก็คือภาวนาไมนะก็คื อ, อการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะสามประเด็นนี้ก็เป็นการพูดกันทั่วไปนะทานศีลภาวนา ทานนี่ก็เป็นทานในระดับหนึ่งที่เราสามารถทำได้อยู่แล้วนะถ้าเรามีเงินมีปัจจัยหรือมอีสิ่งของต่างที่เราสามารถให้ได้อันนี้คือทานเท่านั้นเลย น, น, นั่นเป็นสิ่งที่ดีน ะ, ะเป็นการที่ล ะ, ะให้ความตัหนีถี่นียวในใจของเราออกไปนะส่วนสีนั่นนะก็คื อ, อเป็นกรอบนะว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่มันผิดพลาดไปในความที่ทำให้เกิดความไม่ปกติกับตัวเองและผู้อื่น นะภาวนาใหม่ก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมกันเราเมื่อเราปฏิบททัติธรรมแล้วเราจะรู้ทันการกายและใจเนี่ยตรงนี้เป็นกุศลที่สูงมากนะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวต่อไปข้อที่4นะัก็คือการน้อมน้อมทําตนนะน้อมน้อมทำตนนี่นนนสามารถน้อมน้อมได้ตั้งแต่ผู้ที่อายุมากกว่าเรานะพ่อแม่นะแล้ว ก, ก Quality ็ความเป็นพระนี่แหละบางทีเรากราบพระทุกๆวันนี่ก็เราน้อมน้อมทำตนแล้วเนาะ เมือที่เรากราบพระพุทธรูปพระพระหันกลับมาเตรียมตัวกราบพระเราได้กราบพระทุกวันอันนี้เป็นการนอ บ, น, อ บ, บน้อมน่อตนนะอันนี้เราได้บุญทุกวันเลยเนาะต่อมาก็คือการขวนขวายในกิจการที่ชอบนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือพวกเรามีโอกาสได้ทำในตรงนี้กันแทบทุกคนอยู่แล้วนะเราทำครัวนะหุงข้าวหม้อหนึ่งโอ้กินกันทั้งวัดเลยนะฉันกันพระฉันกันหมดทั้งวัดญนะาติโยมฉันนึ่งทั้งวัด นะแล้วก็นะทําอาหารอะไรก็แล้วแต่นะนะสักถาดเดียวก็พระกระฉันกันทั้งหมดยาโยมก็ทานกันทั้งหมดเลยนะเนะี่ยได้บุญมากมหาศาลนะนะล้างถ้วยล้างจานนะเก็บขยะนะกวาดพื้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเลยนะไม่ต้องอาศัยเงินแม้แต่บาทเดียวนะพวกเรามีโอกาสทำเงินตรงนี้ได้อยู่แล้วนะต่อมาก็คือการให้ส่วนบุญนะ บางทีเรามีทําบุญที่ไหนมาก็แล้วแต่นะเป็นการให้ทานก็ดีเป็นการรักษาศีลก็ดีเป็นการเจริญภาวนาก็ดีนะอันนี้คือบุญที่เราเรามีในตรงนี้อยู่แล้วนะหรือแม้แต่าการที่เราอนอบน้อมทำตนหรือขวนขวา น, นกิจการิจการที่ชอบต่างๆนี่แหละเป็นบุญทั้งหมดเลยนะเราสามารถอุทิศส่วนบุญได้นะอย่างเช่นเวลาพระยะถาเวรีวหาเนี่ยเราก็อุทิศส่วนบุญในตรงนั้นให้กับญาติพี่น้องของเราได้นะหรือเรากลับไปบ้านก็บอกว่าเอ ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดมาเอาบุญมาฝากแม่นะ <c oughs> ให้แม่อนุโมทนาแม่บอกสาธุเนี่ยนะตรงนี้เราให้ส่วนบุญนะแม่ก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าบุญข้อที่ต่อมานะก็คือข้อที่เจ็ดบอกว่านะบุญเกิดจากการอนุโมทนาเนะาะก็คือคนเขาทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะถึงแม่เขาไม่ได้มาแบ่งส่วนบุญให้เราแล้วเราก็สามารถอนุโมทนาได้นะเห็นใครทาความดีเราก็อนุโมทนากับเขา เราก็ได้บุญนะอันนี้เป็นบุญที่เราสามารถที่จะได้โดยที่ไม่ยากเนาะก็คือเราไม่มีจิตอิจฉาใครนะไม่ใช่เห็นเขาทาบุญเยอะๆเราก็อิจฉาเขาเนอันนี้เราแทนจะได้บุญนะจิตล้วก็เป็นไม่ดีนะการอิจฉาลิสยาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโทสะชิ้นหนึ่งนะอันนี้แทนที่เราจะได้บุญเราก็กลับเป็นได้บาปแทนนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําสิ่งนี้เป็นความดีทั้งหลายให้เรามีจิตโนโมตนาเขาเถิดเราก็ได้บุญรุกครั้งเลยเนาะ ต่อมานะข้อที่แปก็คื อ, อการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี่ก็ได้บุญนะเรามีโอกาสบางครั้งน ะ, ะถ้าเราพูดธรรมะให้คนอื่นก็ฟังนะหรื อ, อบางทีมีซีดีมีเทปธรรมะดีดีมีหนังสือธรรมะดีๆแล้วก็ให้คนเนี่ยตรงนี้ก็ได้บุญนะต่อไปข้อที่เกก็คื อ, อการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็ได้บุญนะนะเพราะการฟังธรรมเราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา นะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดความเข้าใจธรรมเนี่ยตรงนี้คือบุญทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านกําลังได้บุญอยู่ตรงนี้แล้วนะต่อมาในข้อที่สิก็คือการทําความเห็นให้ตรงนะก็คือมีความเห็นที่เรียกว่าเราเป็นเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนะมีความเห็นที่ถูกต้องเนะี่แหละตรงนี้นะคือบุญกิจวัตรทุศิษนฐะที่เรียกว่าเราสามารถที่จะทําทได้ไม่ยากนะก็คือการทํากุศลให้ถึงพร้อม ต่อไปที่เป็นหัวใจพุทธาสนาจริงๆก็คือการชําระใจอย่างตนให้ถึงซึ่งความบิสุดผ่องใสนะตรงนี้จริงๆแล้วคือหัวใจแก่นแท้เลยนะนะแก่นแท้อยู่ตรงนี้แก่นแท้ก็คือความที่เราถึงซึ่งความพ้นทุกข์ให้ไดนะ้ในชาตินี้เลยนะไม่ต้องไปรอชาติหน้านะชาติหน้าเราไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรใช่ไหมมันไม่แน่ไม่นอนหรอกใช่การเกิดมนุษย์นี่เป็นของยากนะ เมื่อเราเกไกเป็นมนุษย์แล้วนะเราก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้นะบางคนบอกว่ารอไปเกิดในสมัยภระศรีอ่ารจะได้ตอนนั้นไปเบิร์ลูในตรงนั้นหรือว่าคอยถึงนิพพานในอนาคตการนุ่นเทินอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะหรือว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่ชาติหน้าไปเกิดไปอะไรก็ไม่รู้แต่ทาไมตอนนี้เราพบพุทธศาสนาแล้วนะได้พบได้พบครูบาอาจารยนะ์ได้ปฏิบัติธรรมนะต่างๆเหล่านี้ทําไมเราไม่ทําจิตของเราใ ห, ให้ให้จบในชาตินี้เนาะ ตรงนี้เป็นสิ่งเราสามารถทำได้ทุกคนใช่ไหมเพราะนั้นใครใครที่คิดว่าเราจะทำให้จบในชาตินี้นะก็เหมือนกับเราตั้งใจจะสอบได้ที่1ใช่ไหมถ้าเราตั้งใจสอบได้ที่1นแล้วนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ที่1ก็จริงเราจะอาจจะได้ที่2ที่3ที่4ี่นะตรงนี้เราก็ยังไม่ขาดทุนนะอย่างน้อยๆเราก็ได้อ่าระดับที่สูงๆแล้วนะพบชาติเราก็สั้นลงนะแต่ชาตินี้เราคิดว่าเออแค่แค่สอบผ่านก็พอแล้วนะตรงนี้จะสอบตกนะ ตอบตกมีโอกาสที่อวไรไปเกิดเป็นสัตว์ไดชา China, เปสูรกายสนรโลกนี่ก็เรียกว่าขัดทุนเลยนะควาได้กลับมาเกิดมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งไม่รู้เมื่อเมื่อว่าเมือม่อไหรเนาะครั้นี้น่การที่เราพ้นทุกนี่คือเป้าหมายที่สูงสุดในพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นประเด็นอย่างไรที่ว่าเราต้องดำเนินอย่างไรนะก็คือการดำเนินให้เร า, าหมดสิ้นจากอวิชชาตัหาอุปทานนั่นเองเนาะ อวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้นะไม่รู้ทั้งหลายแหล่นะไม่รู้ในอริสสัต4นะอันนี้ก็คือหลักสําคัญเลยความไม่รู้นี่แหละจริงๆมีเยอะเลยแต่ที่ไม่รู้สําคัญที่สุดคืออริส ส, สัต4ีพระพุทธเจ้าก็เลทรงตัดว่าที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชา่างต่างไม่ถ่วนก็เพราะว่าเราไม่รู้เรืองริสสัตสีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้นี่แหละมันเป็นเหตุหเรานํามาเกิดในชาตินี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงว่าเราต้องมีความรู้ขึ้นมาแทน ก็คือรู้ในอริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสีก็คือทุกข์กามุทยนิโรธมรรคนะทุกข์นะที่เราได้สวดมนต์ธรรมวชิรนะทุกข์ก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละทุกข์ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความประสบในสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ นะก็คือกายและใจนี่แหละคือตัวทุกขนะ์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะนะเป็นสิ่งต้องรู้เป็นกิจต้องรู้นะรู้ในอริสตีนะคือทุกข์นี่เป็นกิจในอริสตีต้องรู้นะทุกข์ไม่ได้มีว้เพื่อละแต่ให้เรารู้นะต่อมาสมุทยัยสมุทัยคือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะสมุทัยนี่คืออะไรนะคือยายางตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสากตาตตะละตตละลายพินันทีนี ก็ได้การตัณหาตัณหาก็คือเป็นเหตุให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกได้แก่ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งเหล่านี้คือสยยะททางกามตัณหาการมตัณหาก็คือตัณหาอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงผลทัพรธรรมรมก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผลทัพรธรรมรมนะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประเด็นหัวใจในตรงนี้เลยนี่คือต้นเหตุต่างๆของกิเลสต่างๆตามมาเนาะ ครนี้นี่ยก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาตรงนี้บอกว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายผู้ใดที่เพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพธะธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าจักไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ต่อมาก็ทรงแสดงว่าผู้ใดที่ไม่เพิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพธะธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิเพลินในความทุกข์ผู้นั้นเรากล่าวว่าจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เนาะอันนี้เราจะเห็นไหมว่ากันเราทุกข์จริงๆมันก็นมาจากรูปรสกลิ่นเสียงผลทพธาตุลมนี่แหละพอเรารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแต่งเป็นความรักความชังความชอบความไม่ชอบตลอดเวลาเนา ะ, นะตรงนี้เราต้องรู้ให้ทันตากระทบลูดรู้รู้ทันหูได้ยินเสียงรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วทําไงต่อต้องรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆก็พอแล้วอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปผักใสเขา้า อย่าไปกอดเขาอย่าไปผักเขาเท่านั้นเองนะกอดเขาก็คือไปยึดเขาไว้นะไม่ชอบเขาก็ผักเขาออกไปตาเห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเมื่อเพออยากจะได้อยากจะฟังอีกนะนี้เราไปกอดเขาแล้วนะพอกระทบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผักใส่เขาไม่ชอบผักใส่เขานี้กนะ็ไปผักใส่เขาก็ไม่ถูกต้องนะต้องลุยเฉยเหมือนก็นที่ที่ได้ทรงแสดงให้พระพายาฟัง บอกว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบ <c oughs> เมื่อนั้นท่านจะไม่มีในโลกนี้จกไม่มีในโลกหน้จาจกไม่มีในโลนกโลสองนี่แหละขึ้นสุดแห่งทุกละเนาะก็คือรู้เฉยๆก็พอแล้วนะต่อมาตัณหาตัวที่2ก็คือภวตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะเป็นเจ้านายอยากเป็นสอสอยากเป็นลบรัฐมนตรีอยากเป็นนายก ปฏิบัติธรรมก็อยากได้สติอยากได้สมาธิอยากได้ปัญญาอยากเป็นพระริยาเจ้าอันนี้คือภาวหาทั้งหมดเลยนะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่เราปฏิบัติด้วยความฉันทะก็พอแล้วนะฉันทะคือปฏิบัติด้วยความพอใจที่จะปฏิบัติแต่ว่าไม่ต้องปการอะไรไม่ต้องการพนานันะิพาณเนาะไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นนี่แหละปฏิบัติด้วยความที่เราไม่ต้องการอะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นตามที่เขาเป็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะนี่เราได้ไม่ได้ประดิด้วยตัณหา ต่อมาก็เป็นข้อสุดท้ายก็คือวิภวตัญหาคือการผักใสสิ่งที่เราไม่ชอบใจทั้งหลายน ะ, ะมีความโกรธก็ผักใสวิายาโกรธนะจัดการในความโกรธอันนี้ไม่ได้รู้เฉยๆนะ่เป็นการจัดการแทรกแซงเบียดเบียนไปไปเบียดเบียนเขาไปจัดการเขาไปข่มเหงเขาสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหลายนะเราจัดการทั้งหมดเลยนะตรงเนี้ยถ้าเป็นการจัดการนะที่เรียกว่าเราไม่ชอบใจแล้วเราไปจัดการกับเขา อันนี้ก็เป็นวิภาวะดันหาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบใจเราก็แค่รู้เฉยมันก็จะตรงประเด็นเลยนะที่ว่าศัก์แต่ว่าเนี่ยรู้เฉยเป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นเนาะตรงนี้มันเข้าอยู่ในแนวแนวทางที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ไม่ยากนะสำหรับผู้เจริญสติจะเห็นได้เออสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือชอบใจก็รู้เฉยก็พอแล้วนะตรงนี้จะกลารผู้ดูผู้เป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็น นะกลายเมันพูดแล้วว่าเราจะเป็นผู้รู้เฉยเป็นการสักแต่ว่านี่แหละการมาทำจึงจะง่ายขึ้นนะพอตัณหานี้นะนะอวิชชาต่อมานะตัณหาตัณหานี่คือสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องละนะเราไม่ละความทุกข์แต่เราละสาเหตุของความเกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองนะเพราะนั่นมันจะมาสู่ข้อนิโรธข้อนะนิโรธก็คืออะไรนิโรธคือการดับทุกข์นิโรธก็ ค, คือความดับทุกข์ นิโรธคืออะไรโยตัสสาเยวะตันหายาเสสะวิลาคานิโรโทจาโคปนิสสะคมุติอนารโยก็คือการทําให้ตันหานี่แหละเขาจางคายลงไปนะหรือเป็นการคลายออกจากตันหาทํ า, า, นนาทให้ตันหาไม่มีที่อาศัยทําให้ตันหาคลายออกทําให้ทันหาสลัดคืนจนถึงอนารโยคือทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปนะอันนี้ จริงๆแล้วนิโรธนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจคํานิโรธนะนเราไปตีความว่าเป็นสิ่งที่ว่าพระนิพพานเป็นสิ่งไกลนะแต่จริงๆพระนิพพานก็คือการดับทุกนั่นเองนะก็มาตรงๆนิโรธนี่แหละเพราะฉนั้นพระนิพพานนี่คือการดับทุกเมื่อเราดับตัณหาได้คือการดับทุกนะ <S <S ตรงนี้มันจึงไม่ยากนะแต่ถ้ า, าไปคิดว่าพราะนิพพานอยู่ไกลนะเป็นเมืองแก้ว อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปไกลมากายากมากนะตรงนั้นไม่รู้ว่ากี่ชาติเนี้ยถึงเราก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งนะแต่คิดว่าเ อ, อนิพพานนี่จริงๆก็คือนิโรดนั่นแหละคือการดับทุกข์แลดับทุกข์คืออะไรคือการดับตัณหาจริงๆคือการดับตัณหาเท่านั้นเองนะอันนี้อยู่ในอริสสัต4ข้อ น, นิโรดนี่เลยคือการดับตัณหาเท่านั้นเองนะดับตัณหาจริงๆมันก็เป็นสิ่งไม่ยากใช่ไหมพวกเรามีโอกาสทําได้ไม่ยากใช่ไหมเนะ่ยตรงนี้จึงว่าพระนิพพานก็อยู่ไม่ไกลอย่าเนาะ อยู่ในการดับตันหาไหมรัปการสําคัญเรารู้ทันตันหาไหมในรูปตกินเสียงบทพธรรมลมนี่แหละรู้ทันไหมเนาะมันไม่ได้อยู่ไกลต่อมาในข้อสุดท้ายนะก็คือนะก็คือมรรคมีอยงแนะมรรคมีอยนะ่างแเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องทําให้เกิดขึ้นนะส่วนนี้โลกเราต้องทำให้แจ้งนะข้อนิมมรรคเนี่ยก็มนะีมีอยู่8ข้อนะแต่สรุปสั้นๆก็นนคือศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองนะนะ ตรงนี้ถ้าเราดําเนินไปในทางมรรคแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพระไตรลักษ์เกิดขึ้นนะพระไตรลักษ์ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตา น, นั่นเองนะตรงนี้เป็นหนทางที่เรียกว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้มันจะเข้ามาสู่เมื่อไปบัติโดยมรรคแล้วก็จะเข้าสู่นิโรธในตรงนี้เพราะว่าตัณหาจะเริ่มจางคายนะคราวนี้เนี่ยวิชาเนี่ยเราเห็นอริยสัจสี่แล้วนะต่อมาตัณหาตัณหาเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็คือสายแห่งความเกิดทุกข์ ตัวท้ายก็คืออุปทานนะอุปทานนี่เป็นเป็นประเด็นใหญ่เลยนะที่เราต้องเข้าใจในตรงนี้อุปทานคืออะไรอุปทานก็คือความยึดติดนั่นเองนะความยึดติดเมื่อความยึดติดถ้ามันไม่มีความยึดติดแล้วโอกาส ต, ต่อไปจากอุปทานคืออะไรก็คือไม่มีภพไม่มีชาติเนาะอย่างที่ในปฏิจจสมบาตินะถ้าการไล่เรียงมาจะขอไล่เลียงในส่วนในท้ายก็แล้วกันนะอ่า ภาษาเป็นป anyway, um ัจจ so so the ัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุบัทานอุบัทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชะลามรณาโศกภพิเทวทุกขโทนะสุปายาสาติเพราะฉนั้นอุบัทานเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดภพเกิดชาติตามมาเนาะเพราะฉนั้นผู้ใดละอุบัทานได้ผู้นั้นก็ไม่มีภพไม่มีชาติต่อไปนะคือในขั้นแรกมันไม่ไม่มีภพไม่มีชาติในใจก่อน แล้วไม่มีพบไม่มีชาติในใจแล้วนะไม่มพบไม่มีชาติจริงๆที่เราไม่ต้องปินไหวตายเกิดก็จะตามมาอย่างแท้จริงะอุปทานนี่คืออะไรคือความยึดติดทุกๆอย่างเลยนะจริงๆแล้วคนเราในยึดติดต่างๆมากมายนะมีอุปทานในสิ่งต่างนี่เป็นลูกเรานี่เป็นสามีเรานี่เป็นพ่อเรานี่เป็นสมบัตินี่เป็นบ้านเรานี่เป็นรถยนต์เรานะนี่เป็นมือถือของเราเนาะแต่ว่าอุปทานที่สําคัญที่สุดคืออะไรก็คือความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละว่าร่างกายคือร่างกายและจิตใจนี้ มันเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อมีร่างกายและจิตใจเป็นตัวตนของเราแล้วจึงมีการยึดสิ่งต่างว่าเป็นของเราตามมานะก็คือยึดว่าลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราบ้านรถยนต์เป็นของเราก็เพราะมีตัวเรานั่นเองตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าได้ต้องการเน้นตรงนี้มากสุดเพราะฉะนั้นในหลังจากที่ทรงแสดงธรรมจักรเสร็จแล้วปัจวัคคีนั้นตอนนั้นเป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นต่อมาเมื่อได้ทรงแสดงนักตัดละพระสูตรเพื่อที่จะถอนความ อุปทานในตรงนี้ท่านได้แสดงเอาไว้เมื่อแสดงแล้วปัญญวคธีบรรลุเป็นพระรหัสทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นอนตัตตลักษณ์สูต ร, รนี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนื้อความมีดังต่อไปนี้คือดูก่อนพิสูจนทั้งหลายรูปเวนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหรือกายและใจเที่ยงหรงือไม่เที่ยง ไ, ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปร ป, ว, ปวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนะั้นแม่เจ้าข้าหลังนั้นทรงแยกแยะว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, นัาตายอย่างไรนะปรากฏว่าหลังจากที่แดงจบแล้วปัญญวิชีบรรลุเป็นพระหรหัสทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็คือหัวใจหลักว่ากลับมาสู่ประเด็นสําคัญว่าตัวเราไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะแล้วการปัจธรรมไม่ใช่เป็นการแบบเพื่อที่จะละอัตตาตัวตน แต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราตั้งตนแล้วนะไม่ของเราตั้งตนแล้วเพราะฉนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อกันละแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อการถอดถอนความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเท่านั้นเองนะตรงนี้นะเมื่อถอดถอนได้แล้วมันจิตเกิดการพิกเกิดขึ้นเมื่อพิกปั๊บมันจะวางได้เองนะมันจะเกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจิตจะไม่ยึดถือเกิดความไม่เบื่อเกิดความเบื่อน่ายในตัวตนนี้นะเกิดความคลายออกจากการยึดในตัวตนนี้ นะตอนนเป็นการพลิกความเข้าใจและหลังนั้นจริงก็เริ่มปล่อยเริ่มวางในตัวตนนี้ทั้งหมดอันนี้เมื่อพลิกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเป็นการบรรลุเป็นภาริยเจ้าในตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานี้นะมันยิงต้องเป็นปัญญาในระดับหนึ่งที่เราต้องเห็นอย่างสม่ําเสมอในการที่ว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนาะเพราะสิ่งใดที่บังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเราแต่ถ้าสิ่งใดบังคับบัญชาได้นั่นแหละคือตัวตนของเรา เราจะเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาได้ไหมนะร่างกายนี้เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เนาะ เ, นเขาทำงานเองทุกอย่างเลยนะนะร่างกายนี่แหละหายใจก็หายใจเองนะหัวใจก็เต้นเองนะสูปชีดโลหิตเองนะเลือดต่างๆก็วิ่งเองกรนะเพาะเมื่อเรารทานไปแล้วนะเขาก็าย่อยอย่างเขาเองนะการขับถ่ายทำงานเองหมดทุกอย่างนะผมก็งอเองตาก็ฟังเองหูก็ตึงเอง ตรงนี <eri> so anything, ้จริงๆร่างกายเขาทางานเองเนาะพูดง่ายๆเอาไว้ว่าภายในทํางานเองทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเราต้องไปสั่งบังคับก็ได้เมื่อเขาเสื่อมแล้วเราก็บังคับเขาไม่ได้ให้เขาดีไม่ได้ด้วยต่อมาจิตใจนะตรงนี้เราบังคับเขาได้ไหมนะจิตใจนี่ความคิดเขาทางานเองนะให้กขหยุดคิดทั้ง5นาทีก็ยังไม่ได้เลยหรือเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีนะแต่เขาก็ยังโกรธอยู่นะความโลภความหลงไม่ดีก็ยังโลภยังหลงอยู่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะ เราปฏิบัติธรรมโอ้เมื่อวานนี้ดีมากน่มีสติทั้งวันวันนี้สติไม่มีเลยเห็นไหมว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวเขาก็รักเขก็ชังนะเราอยากให้เขานอนตรงเวลาหลับตรงเวลาได้ไหมไม่ได้ยิ่งอยากเขาหลับเขายิ่งไม่หลับนะเนี่ยเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่เราเห็นไหมว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะการที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แล้วนั่นแหละตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆนะเห็นความจริงในตรงนี้บ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจว่าข้อเหตุ นั้นเขาจึงทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะเมื่อทนในสภาวะเดิมไม่ได้เขาจึงมีความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนาะตรงนี้มันจะเห็นมาตามลำดับนะในพระไตรลักษณ์เห็นความเปลีนอจังความทนในอ่าเห็นอเนจังคือความไม่เที่ยงเห็นทุกขังคือการทนในสภาวะเดิมไม่ได้และหลังเราเห็นว่าเออที่ก็เป็นเช่นั้นเพราะเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเรานะ แต่ถ้าหากว่าเราบังคับบัญชาเขาได้เขาจึงเป็นตัวเป็นตนของเรานะข้อนการบัตรธรมนี่กลับมาเห็นในเมตไตรักษณ์นี่เป็นประเด็นสําคัญนะไม่ใช่เราปฏิบัติแล้วเขาต้องดีตามเราต้องการนะอันนั้นไม่ใช่การบัติรรมหมายความว่าเราเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามเราต้องการนะการที่เราเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละก็คือเราเห็นเมตไตรักษณนะเช่นมีความคิดเกิดขึ้นนะเราไปบังคับเขาโอ้อย่าคิดนะหยุดคิดจบความคิดจบเดี๋ยวนี้นั่นเราไปบังคับเขาแล้ว นะตรงนี้เหมือนกับเราบังคับเขาได้นะนี่แหละกลายว่าเราบังคับบัญชาก็ได้มีความโกรธเกิดขึ้นเราโอ้โกรธนี่เราจัดการเลยนะต้องหยุดโกรธเดี๋ยวนี้นะต้องหมดโกรธไปเนี่ยเราเริม่มบังคับบัญชาก็ได้แนละ้วเนาะนี่แหละนี่คือการที่ทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะแต่ตรงนี้เราจะไม่เห็นความเกิดดับเที่ยวเกิดดับเขาเองนะถ้าถ้าเราใจอาการนะเออมีความคิดเกิดขึ้นโอเคมีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้ว เราจะเห็นความเกิดและความดับของเขาโดยตัวเขาเองนะความโกรธเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วเรารู้เฉยๆนะเห็นความเกิดความดับของเขาเองนี่แหละถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มเข้าใจว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้จริงๆหลังนั้นนะจิตก็เริ่มที่จะเริ่มปล่อยเริ่มวางความยึดถือในความเป็นกายและใจของเราเนี่แหละซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเมตตนทั้งหมดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตเราเขาทั้งหมดเพียงแต่เราไปเข้าใจผิดเราไปยึดถือเขาเท่านั้นเองเนาะ เหมือนกับโรงแรมนะโรงแรมโรงแรมจริงๆแล้วพ่อออกจาโรงแมมันไม่มีอะไรของเราเลยนะภายตัวไม่ของเราผ้าห่มโทรทัศน์แอร์ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเราไม่เคยมีอะไรติดตัวมาได้เลยแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเกิดในโรงแรมเราจะยึดหมดนะผ้าห่มของเราหมอนของเราโทรทัศน์ของเราตู้เย็นของเราเนี่ยเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่เสร็จแล้วเราออกจากโรงแรมก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันคือโรงแรมไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปยึดมั่นเองนะไปเข้าใจผิดว่าโรงแรมทุกอย่างในโรงแรมเป็นของเรา แต่จริงๆมันก็แค่โรงแรมนะออกจากโรงแรมเราอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันนะมันไม่ใชงเราตั้งต้นแล้วนะตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงตรงนี้มันก็คือการถอดถอนอุปทานนั่นเองนะถ้าถอดถอนอุปทานได้แล้วก็คือไม่มีพบไม่มีชาติต่ตอมาเมื่อไม่มีพบไม่มีชาติก็คือไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมันนั่นเองเนาะนี่แหละคือประเด็นสําคัญในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ในวันมาขา้าพุทานี้นะก็พวกอหอยพวกเรา ดำเนินในปริธานที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ก็คื อ, อไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงมันทำอุจนิถึงพร้อมและชำระจิตตนให้ถึงซึ่งความบผ่องใสนะเพราะในในโอกาสนี้ก็ขอรัธนาบารมีคุณพระตาไตน้อมนามพวกเราทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทุกได้โดยเร็วพันทุทานเทิน